บุ๊กทูยี่สิบอ็ดสองสการสนทนาสอง percakapan kecil สองคุณมาจากไหนคะ dari mana asal anda มาจากบาเซลค่ะดากบาเซลบาเซลอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Basel t e r l อยู่ในประเทศสวิฉเซนบาเซลั่นขอแลนตัะสวินดาใหัค้คอณนระ้จักกรัิอร์ดบคุณ้ะิเลายะวิเรลนลัอนรอ์ไนดาั้งหมคนะ bolehkah saya m e m p e บา e n a l k a n anda d e ป g ะ n ba สวิตเอร์ เขาเป็นคนต่างชาติ Dia a d ด l a h o r a ย g า s า n g ดาเขาพูดได้หลายภาษา d i า berbicara b e b e r เขาพูดได้หลายภาษา่านี่คดั้งแรยใา่ไหมาะ Apakah า n i p e r t a m า kalinya anda k e ้หลาาา้ไหา้าาาลาดาขา ไม่ใช่ดิฉันเคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วค่ะไ i d ด k s ั y a p ย r n a h k e m a เ i t a h ป n ke ่แลมาินมานแค่หนึ่งสัาเ่ป้ค่ะ่ดัาห์เท่แมิคานัอที่้นค่ะ tapi hanya ันเคยมาี่าามคุะชอบัาที่นี่อไหออันมาคะ Apakah ดิ d a น u k a di s ี n i ้ คนที่นี่ใจดีดิฉันชอบมากค่ะ sangat suka Or orang-orangnya ramah และดิฉันก็ชอบทัศนียภาพด้วยค่ะ dan saya s aya suka pemandangannya juga คุณทำงานอะไรคะ apa pekerjaan anda ดิฉันเป็นนักแปล saya ป erjema ดิฉันแปลหนังสือ saya ม erje ม ahkan bukubuku คุณมาที่นี่คนเดียวใช่ไหมคะอดาขมาสัดีิไม่ใช่สามีของดิฉันก็มาที่นี่ด้วยค่ะ i ม่ภ i รยาของผมก็อยู่ที่นี่ไม่ u า m i s อ y a juga ada di s น n i และนั่นเป็นลูกทั้งสองคนของดิฉัน dan di sana น t u อ e d u a anak อ a m i ม